เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้มันเข้าหน้าหนาวมาแล้วอย่าไปอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในกิหหปฏิบัติถ้าผูใ้ใดอ้างว่าหนาวนัก ร่อนนักเวลาเย็นแล้วก็ดีเวลานี้ยังเช้าอยู่ <c oughs> เวลานี้หิวแล้วกระหายแล้วไปอ้างโน้นอ้างนี่อยู่เช่นั้นแล้วไม่ทำการงานนั่นเป็นลักษณะของคนเกียดติคร้านย่อมมีโทษ ถ้าเป็นครืหัดก็ไม่มีเงินทองเข้าของจะใช้ใจหรือว่าเกี่ยวกับการทำบุญกุศลก็ไม่ได้บุญหลายคนเกียรคราีิทำอะไรก็ไม่มีผลมากหรอกถ้าเป็นบรรพชิตก็ไม่เจริญด้วยคุณธรรม อันเป็นฝ่ายกุศล <c oughs> ดังนั้นความเกียคร้านเนี่ยทุกคนขอยพากันพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตถ้าเกิดว่าเกียคร้านใจอย่างเดียวแล้วมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยมันจะไม่เป็นภัย อันตรายต่อชีวิตจิตใจยังไงเล่าอันบุคคลผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลนิพพานล้วนแต่เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเลยตามประวัติของท่านผู้เจริญด้วยคุณอันวิเศษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น พระองค์ทรงขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยการแสวงหาทางตัดสุรุสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากเสด็จออกบวชไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวหาความสนุกเพลิดเพลินอะไรในโลกเข้าแต่ปา่า สเสวงหาแต่ที่สงบ ส, งสังัดบำเพ็ญเพียรทางกิจใจให้เข้าถึงความสงบระงับเพื่อตัดสรู้สมมาสัมโพธิญาณในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสรู้สมพระประสงค์เมื่อได้ตัดสรู้แล้ว ก tunes, achts, ็จึงได้ทรงแนะนำให้สาวกทั้งหลายได้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเพราะพระองค์ได้อาศัยเสนาสนะอันสงัดนั้นแหละบำเพ็ญสมณธรรมก็จึงได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่ควรพากันคำหนึ่งดู อะรการที่พวกเราได้มาอยู่ปา่าได้มาอาศัยอยู่ในสถานที่สงบประงับได้ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าควรภาคภูมิใจ <c oughs> <c oughs> แม่ทายกทายิกาก็เหมือนกัน เ <clears throat> มื่อได้มารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดราอ ร, รมอันเป็นสถานที่สงบสงัดเช่นนี้ก็เข้าใจว่าคงจะมีผลมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิดตดวงนี้เองการทำบุญประเภทอะไรก็ดี ที่จะได้บุญมากนั้นก็เพราะว่าเกี่ยวกับจิตใจนี่ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจสงบเยือกเย็นแล้วจิตใจนี่อิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลคุณความดีเป็นทุนเดิน ม, มานั่นแหละเมื่อได้บุญกุศลนี่ เป็นทุนเดิมมาแล้วมาทำความดีขึ้นมาใหม่นี่ก็มันก็ย่อมมีผลมีานิสงมากตามตามกันมาอุ ป, ปมาเหมือนอย่างบุคคลมีมีทุนก้นโตโ ต, โ ต, โตแล้วทำการค้าขายลงไปอย่างนี้เนยะมันก็ต้องได้กำไรมากอยู่ดีแหละ พอทุนมันมากกำไรมันก็มากตามกันอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเราสั่งสมบุญกุศลนี่ที่มันจะมีผลมากก็เพราะได้ <c oughs> ได้อาศัยบุญเกา่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วอาศัยบุญใหม่ ที่ได้ทำมาในชาตินี้ที่ได้ทำล่วงแล้วมานี่แหละมาเป็นกำลังใจมาเชิดชูจิตใจให้ยินดีเลื่อมใสในกองการกุศลให้แรงกล้าขึ้นไป <c oughs> เป็นธรรมดานะ บุคคลผู้มีกำลังกายแข็งแรงนี่ทำงานมันก็ทำได้มากกลัวคนมีร่างกายอ่อนแออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีบุญกุณเป็นกำลังใจก็ย่อมมีใจเข้มแข็ง ในอันที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีไม่ย่อท้อดังนั้นนะทุกคนให้พึงทำความเลื่อมใสอินดีในบุญในคุณนี้ให้มากๆในใจนั้นคุณพระรัตนากลาก็ต้องมันนึกถึงเสมอ <c oughs> มันนึกถึง จนมันเกิดปิติเกิดความอิ่มใจในพระคุณทั้งสามนั้นว่าเป็นที่พึ่งกาจัดทุกข์ภัยได้จริงๆให้ให้จิต ใ, ใจของเรามันรู้แจ้งในพระคุณทั้งสามนั้นขึ้นในใจจริงๆแม้ว่ายบุญกุศลก็เหมือนกันก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบ พิจารณาบุญกุศลที่ตนได้ทำมาให้เห็นแจ้งประจักษ์ว่าตนทำบุญได้บุญจริงๆได้อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของผู้ภาวนาจะพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความเย็นใจ ถ้าเมื่อเราทำความดีอะไรลงไปแล้วมันได้ความสุขความเย็นใจขึ้นมานั่นก็ชื่อว่าทำบุญมันได้บุญอย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องปฏิบัติจิตใจตัวเองให้มันสงบระ ง, งับมันถึงจะรู้จากบุญรู้จากคุณอันประเสริฐดังกล่าวมานั่นได้ รู้ว่าเป็นของวิเศษจริงเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสุขความอุ่นใจให้จริงจริงแล้วก็เป็นการระงับทุกข์ทางใจได้จริงๆริงผู้ใดมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งแล้ว <c oughs> ก็พิจารณาให้มันเห็นโดยตนเองอย่างนี้ ความมุ่งหมายของพระบรมศา ส, สดาก็ทรงพระประสงค์อย่างนั้นเหตุนั้นนะจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณบทวา่าสันติธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองในพระธรรมที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ดีแล้วนั้นนั่นแสดงว่า <c oughs> เพียงแต่จําได้เฉยๆ <c oughs> เพียงแต่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> เท่านั้นแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิเลส ท, ที่ควรละก็ยังละไม่ได้เลยเช่นนี้แล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะเอในการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะการนับถือพระพุทธศาสนานี่ ก็โดยเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่จกอำนวยความสุขให้แก่ผู้นับถือจกระงับทุกข์ให้แก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่จริงๆเราจึงได้เคารพนับถือบูชากันทีนี้เพียงแต่ได้ดอกไม้ถูกเทียนแล้วมาจุดบูชากราบไหว้ เพียงเท่านี้นะมันไม่สามารถที่จะระงับทุกข์ทางใจได้มันไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขอันมั่นคงถาวรให้ได้ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นคนเราผู้เกียรคร้าน ไ่วยพระนั่งสมาธิภาวนาได้แต่ได้ดอกไม้ทุกเทียนจุดบูชาหรือแต่ทำบุญให้ทานตามประเพณีไปเท่านั้นนะ่ะมันจึงไม่ค่อยเห็นผลในการนับถือพระพุทธศาสนานี่เท่าไหร่หมายความว่าบรรเทาทุกทางจิตใจไม่ค่อยได้ดังนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเข้า ก็จึงวิ่งไปกราบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆที่มนุษย์เราเคยนับถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เบื้องบันพระบุรุษนุน่นอ้อนวอนบวงสวงผีสางเทวดาลุกขะเทวดาปุมะเทวดาอะไรหมูนี่ขอให้มาช่วย บำบัดทุกข์บำรงสุขให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่นี่แหละแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ใดถ้าเป็นเช่นนั้นนะ่ะการนับถือพระพุทธศาสนานี่นับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผู้ใดเป็นผู้ไม่เกียรติคร้านในการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบวงจรผู้นั้นย่อมได้รับความอุ่นใจบรรเทาทุกข์ทางใจได้จริงจริง <c oughs> อา้าวมีศรัทธาเลื่อมใสในทานการกุศลได้ทาบุญบริจาคทานมาแล้วก็ไม่ นอนใจอยู่แต่การทำบุญทำทานเท่านั้นเมื่อศีลยังไม่มีก็จะได้พยายามหาอุบายสอนตนให้ยินดีในการรักษาศีลสอนตนให้เห็นโทษของความไม่มีศีลว่าเมื่อเมื่อไม่รักษาศีลไม่สมทานมั่นในศีลแล้วมันก็ไปทำบาป ฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในการบ้างกล่าวมุสาวาตบ้างดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบ้างมูนี้แหละคนที่ไม่ได้สมทานมั่นในศีลแล้วก็จะไปทำบาปเหล่านี้นะเนื่องจากว่าคนส่วนมากนั่นฮะไม่ค่อยมีศีลไม่ค่อยสนใจในเรื่องศีล ทำแต่บาปกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคนหมู่มากในว่าส่วนมากนั่นนะ่ะทำบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและในห้าอย่างนี้นะบ้านี้พวกที่เกิดมาใหม่ใหญ่ทีหลังนะพอไปเห็นคนที่เกิดมาก่อนนั่นนะได้ทำบาปทำกรรมชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เป็นตัวอย่างแล้วผมก็เรียนแบบกันนะเอาอย่างกันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะว่าพวกที่เกิดมาในภายหลังนี่ก็เรียกว่าเป็นไกรอร่อนโยยังไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาคิดเห็นเรื่องบาปบุญคุณโทษได้เห็นผู้ใหญ่ทําผู้น้อยก็เลยหัดทําตามอย่างกัน เช่นการส่องเสพของมืนเมาอย่างนี้นะเมื่อผู้น้อยเห็นผู้ใหญ่ทำแล้วก็เดยเรียนแบบกันไปแม้ทั้งห้าอย่างนั้นเลยก็ผู้ใหญ่นั่นแหละทามาเป็นตัวอย่างก่อนผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็จึงค่อยทาตามไปบัด น, นี้ศาสนธรรมคำสอนของผู้เตี้ยเจ้านะ เพื่องฟูขึ้นมาแล้วมีผู้คิดค้นและปฏิบัติตามจนเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองแล้วได้นำมาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สะดับตรับฟังหรือว่าได้อ่านได้ดูในตำรับตำราหมู่นี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบกับผู้อื่นหรือว่ากับผู้เกิดก่อนนั้นตลอดไปเราต้องพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตเพราะว่าทุกคนนั้นยอมได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ไม่มากก็น้อยอย่างนี้แหละแต่ส่วนมากได้ฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามที่ลงมือปฏิบัติตามจริงๆมีส่วนน้อยดังนั้นในธรรมเทศนานี้ก็ยึงอยากจะชักชวนพุทธบริษัททั้งหลายให้มายินดีในการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้ครบวงจรเมื่อมีศรัทธารักษาศีลและอย่างนี้ก็พยายามนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเพราะการภาวนานี่มันเป็นการฝึ ก, กจิตใจที่อ่อนแอทอดแ้ในการทำความดีนั่นนะใ ห, ให้เป็นใจที่เข้มแข็งขึ้น มันเป็นการฝึกใจสอนใจของตนให้ละบาปอคุสนต่งางๆที่มันตกค้างอยู่ในใจมาเพราะว่าคนเรานี่มันก็มีเวลาลุ่มหลงทำบาปมากบ้างน้อยบ้างในอดีตที่ล่วงแล้วมาแล้วเมื่อบุคคลใดไม่ทันได้ละมันก็ย่อม ฝังมาในจิตใจนั่นติดสอยห้อยตามมาเป็นอย่างนั้นก็ก็เชื่อของบาปนั่นแหละมันติดตามมาเหตุนั้นคนเรามันถึงได้เกิดความโลภขึ้นในใจนนนะโลภเล่งเพ่งเลงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนเองนั่นเกียครานทำการงาน ทำการงานก็ทํานิดนิดหน่อยหน่อยเวลาได้รับผลก็ได้รับผลเพียงเล็กน้อยมันไม่พอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เช่นนี้แล้วก็ไปคิดเย่อแย่งหลอกลวงส่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว นี่แหละโทษแห่งความเกียรคร้านน่ะมันเป็นเหตุให้ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากันกับการเบียดเบียนตนนั้นแหละเพราะว่าผลมันก็จะสะท้อนมาสู่บุคคลผู้เบียดเบียนผู้อื่นนั้นในภายหลังในปัจจุบันนี้บ้างในอนาคตเบื้องหน้านู่นบ้างผลที่มันจะสะท้อนกลับมา คนใ น, นปัจจุบันคือจะต้องได้ติดคุกติดตารางนั่นแหละแล้วก็เป็นคนยากจนคนแค้นเ็าเกียกคร้านทำการงานคนเราเกิดมาในโลกนี้ที่จะมีความเป็นอยู่โดยความยากแค้น ต, ต่างๆนานาหม่นี่นะ มันก็ร้นแต่ชาติก่อนนั้นเกียร์ครั้นทําบุญกุศลทําความดีนั่นแหละเกียร์ครั้นทําการงานยอมตนเป็นคนจนทําบุญกุศลก็ทําได้แต่น้อยนั่นแหละทําความดีนะ่ะขอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาขอเกิดมาในชาตินี้นิสัยอันเกียร์ครั้นอันนั้นมันก็ติดตามมาจะทําให้ เป็นคนเกียดคร้านทำคุณงามความดีทําการงานต่างๆเพราะฉะนั้นคนเราันถึงได้ตกทุกข์ได้ยากลําบากขอให้พากันภาวนาพิจารณาเห็นโทษแห่งความเกียดคร้านเนี่ยให้มันได้ผู้เกียดคร้านนั่งสมาธิภาวนา มันก็ทําให้กิเลสนั้นครอบงําจิตใจทําให้ใจพุ่งซ่านรําคาญทําให้ใจหนานแน่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิบางทีก็ทําให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปอ่อย่างนี้นะเมื่อมันหลงพอๆก็ไปมันเป็นได้จริงๆไง เมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่คิดว่าจะละความชั่วไม่คิดว่าจะทำความดีให้จเจริญขึ้นในตนได้พบกับความชั่วก็ทำความชั่วไปพบกับความดีก็ทาความดีอย่างโรคๆขนะไปทำการทำงานหาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาใช้จ่ายสู้รู้สู้สสสร้าย หาความสนุกสนานในโลกมันเจ็บเป็นจะทําบาปทากรรมอะไรมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมมั น, นั้นมันจะอํานวยผลให้เป็นทุกข์เพราะมันเห็นผิดคิดว่าทําบาปอย่างนี้เนะ่ะมันไม่เป็นบาปมันไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ตามความเห็นอย่างว่านั้นนะเดือนนั้น คนที่เห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนี่นับว่าเป็นตัวเสียดจันไรทำลายความสงบสุขของบุคคลผู้มีความเห็นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปให้ได้อยู่สงบไม่ได้เลยคนที่มีความเห็นผิดอย่างนี้แหละ มันทำให้โลกอันนี้วุ่นวายอยู่ขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ดีอย่าไปโน้มใจไปในทางความเห็นผิดดังกล่าวมานั่นมันทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปเลยมีความเห็นอย่างนั้นมันก็สะดวกสบายแต่ในเบื้องต้นนี้เท่านั้นเองเนี่ย เพราะว่าเมื่อบุคคลเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญแล้วมันก็ไม่ทําบุญอะไรแล้วนี้อดีมีแต่หาเงินมาแล้วก็รวบรวมเงินทองเอาไปใช้จ่ายไปในทางอื่นนู่นเมื่อเห็นว่าทําบาปไม่ได้บาปแล้วอย่างนี้มันก็ทําบาปเรื่อยไปเอาฆ่าสัตว์ได้ฉานได้แล้วพนดีมันก็สามารถฆ่าคนได้อีกไปอย่างนั้น มันสามารถซ่องสมโจรเข้าไปแล้วก็ซักจวนกันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากนั่นถ้าใครขัดขืนหน่อยหนึ่งก็ฆ่าให้มันตายซะฆ่าปิดปากโ ม, มนี้แหละมันล้วนตั้งแต่ เกิดจากความเกียร์ครั้นทำความดีเกียรครั้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นแหละเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดไปอย่างว่านั่นแล้วนะเพราะการทำบุญกุศลทำความดีนี่นะมันก็อุปมาเหมือนอย่างพายเรือทวนกระแสน้ํานั่นแหละมันต้องได้ออกแรงมากกลัวว่าเรือนั้นน่ะมันจะทวนกระแสน้ําขึ้นไปได้ การที่บุคคลมาเพียรพยายามละบาปนี่ก็เหมือนกันนะมันก็ต้องอาศัยความพยายามอย่างเข้มแข็งทีเดียวนะเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แหละเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วอาบาปมันรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็ไม่ยอมไม่ยอมให้จิตมันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้น พยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอน้อมสติย่างเข้าไปหาจิตนุ่นคมจิตลงไว้ไม่ให้มันพุ่งสั้นไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้อดทนต่อความยากความลำบากอันนั้นไป ไม่ท้อไม่ ถ, อ, มถอยในที่สุดจิตมันก็สงบลงได้นี่แหละความมัน่นความขยันภาวนาทมเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบก็สามารถที่จะละบาปอากุศลที่มันตกค้างอยู่ในจิตใจนั้นได้อย่าไปเข้าใจว่าไม่มีบาปอยู่ในใจเนะ แต่ละคนนะ่ะมันมีแหละเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่ใช่มันรู้แจงเห็นจริงทันทีเลยเมื่อยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของผู้โดยเจ้าแล้วมันก็หลงไปทำบาปห้าอย่างนั้นแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งหรือว่าหลายอย่างแต่มันทำไปแล้วมันไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปหรือมันอ้นทำมาแล้วมันก็สบายมาอย่างนั้นแหละเหมือนกับไม่ได้ทาบาปอะไร ดังนั้นแหละคนเรามันจึงไม่กลัวบาปนั่นเย่ยเพราะอะไรนะก็เพราะบาปมันยังไม่ได้ให้ผลเหตุที่มันยังไมไไ่ได้รับความเดือดร้อนอะไรนั่นนะมันจึงได้เข้าใจผิดคิดว่าทําบาปอย่างนี้นี่อืไม่เห็นว่ามันเดือดร้อนอะไรนะก็จึงได้ลงความเห็นว่าทําบาปไม่ไม่ได้รับผลของบาปนั้นนะ อย่างนี้เนี่ยความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วเจตที่มันไม่ให้ผลปัจจุบันได้ก็เพราะว่ามันมีบุญกุศลยังให้ผลโยภายในกายภายในจิตใจเนี่ยบุญกุศลยังรักษากายรักษาจิตอันนี้ยเหตุท่านบุคคลทำบาปลงไปมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก้อน ต่อเมื่อผลแห่งบุญที่มันกำลังอำนวยให้อยู่นี่มันหมดลงไปเมื่อใดแล้วนั่นแหละบาปมันก็จะให้ผลสืบต่อไปมันเป็นอย่างนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แจ้งในเรื่องบาปกรรมนี่นะโะ้งตัดสรุ้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดง ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้แก่ประเภทที่เรียกว่าอ布าปรเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างว่าในชาตินี้เนี่ยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยัง ให้ผลอยู่เต็มที่เลยไม่มีช่องว่างที่ว่าบุญนั้นจะบกพร่องในชีวิตของคนอย่างนี้นะไอบาปการรมที่บุคคลกระทำในแต่ก่อนที่ล่วงแล้วมานน่นนะมันยังให้ผลไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นจึงปรากฏว่าคนเรานะ้ เกิดมาแล้วหรานิ่งนอนใจนึกว่าการทำชั่วนี่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจะได้เห็นไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ทีนี้เมื่อบุญกุศลนั้นมันหมดลงนั่นแนะหะน่าดูแบบนี้นะบางทีบาปกรรมมันนั่นนะเมื่อมันไม่ได้ช่องไม่ได้ให้ผลในชาติปัจจุบันนี่เพราะว่า าปัจจุบันนี่บุญกุศลยังให้ผลอยู่ไอนี้เมื่อผู้นั้นหมดอายุสังขารลงกัดแสดงว่าหมดบุญแหละบุญเก่าที่ทำมาแล้วมันหมดลงแล้วันนี้บาปที่มันรวมตัวกันมาคอยตามให้ผลนั้นมันได้โอกาสแล้วมันก็ให้ผลสืบต่อฉุดคล้าเอาดวงฉีดวิญญาณ น, นี่ ไปตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่างของสัตว์นรกไปตกนรกหมกไม่ทนทุกทรมานอยู่ในยมโลกนูน่น <c oughs> อย่างนี้นี่ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามที่แสดงมานี่แสดงมาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า